อิสระคนเราเนี่ยมักจะเป็นทุกข์เพราะความหวังเนี่ยถ้าเรามีความหวังแล้วเราก็จะเป็นทุกข์คนที่ไม่เป็นทุกข์นั่นคือคนที่ไม่ต้องมีความหวังอะไรไม่ใช่หมดหวังนะแต่ว่าใจมันไม่หวังตวมัน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 ให้เรามามีสติให้รู้เท่าทาันตามความเป็นจริงของชีวิตเราแล้วก็โลกธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา <Okay. S 1> คุณหมอกำพลปัญญาท่านก็มีความหวังประเภทเดียวอย่างนี้เหมือนกันถ้าก็มีความทุกข์เพราะความหวังเหล่านี้เพราะท่านไม่รู้เท่าทาันตามความเป็นจริงท่านจึงจะเป็นจะต้องปลิวิเวก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 ในจิตในใจของเราสันติธีโกแปลว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองเราไม่ต้องไปเชื่อใครมันเที่ยงไหมกายเราเรานั่งอยู่สบายๆคิดว่าความสบายมันเที่ยงไหมแต่เดี๋ยวมันก็ปวดก็เมื่อยเห็นหมความไม่เที่ยงของกายเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นทุกขเวทนาเราก็ต้องเปลี่ยนไป ให้เรารู้สึกตั ว, วไว้รู้สึกตัวในความไม่เที่ยงนี่นะบางทีมาเกิดความคิดขึ้นมาดูซิว่าความคิดเนี่ยมันเที่ยงไหมให้เรามีสติเลือกรู้ล ง, งไปบางทีมันคิดเรื่องการาคะคือความกำนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสหรือเรื่องเพศเรื่องกาบก็ตามเราเคยคิดไหม ไล้ความคิดอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันมีไหมเห็นไหมมันไม่มีแล้วมันหายไปแล้วมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีแหละในความคิดประเภทนี้ให้เรารู้ไว้แลวปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกตัวอยู่ว่าเราคิดอะไรเรามีความโกรธไหมไม่มีความโกรธนะแต่เราเคยโกรธไหมเคยแต่ตอนนี้ทำไมไม่มี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 มันเป็นเพียงอารมณ์ที่เป็นแขกที่จ้อนเข้ามาสู่จิตสุจใจเราเป็นครั้งคราวเราจะงเรียกว่าจิตตกเมื่อเราเข้าไปยึดติดที่จริงจิตมันไม่ตกต ก, ตกอารมณ์น่มันตกลงไปแต่จิตเราตกตามอารมณ์ตามความรู้สึกเสืมเศร้าแต่เดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะเรียกว่าสติสติเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นเครื่องตื่นในโรค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 ช่วงครูช่วยยาที่มันผ่านมาสู่จิตใจเราเป็นครั้งคราวผู้ปฏิบัติมักจะสงสัยว่าพระ เ, เจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมท่านความดับทุกขเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมวิธีการแบบนี้การจริตสติเนี่ยมันจะพ้นทุกได้จริงหรือพระอริยเจ้าเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้คือความสงสัย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 นั่นคืออาการที่ผ่านมาชั่วคราวเท่านั้นและสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เ, เราก็ไม่อยากให้เข้ามาแต่เขาก็ต้องมาอยู่เสมอๆ เ, เพราะเ็ามีเหตุมีปัจจัยที่เราเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำานาจบังคับบัญชาของเรานี่แค่ใจเรานะใจเราเนี่ยสามารถดูใจเราได้ เรารู้เท่าทันในส่วนนี้พระองท์เจ้าท่นงตรัสไว้ว่าผู้ใดตามดูจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารบ่วงของมารคืออะไรก็คืออารมณ์เหล่าเนี้ความชอบใจความไม่ชอบใจความซึมเศร้าวความฟุ้งซ่านความเคลียดความสงสัยอันนี้คือบ่วงของมารให้เรารู้เท่าทันมันภาษิตไทยจึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด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 ท่านบูญหวังทั้งหลายสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยจะเป็นทางตาทางหูทางใจก็ดีสิ่งเหล่าเนี้มาให้เรารู้มาให้เราเข้าใจว่าเขาไม่เที่ยงอย่างไรเขาบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรไม่ให้เราเรียนรู้ถ้าเราดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆด้วยสติสมัมปชัญญะเราจะรู้ท่าทันแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้น